แต่ธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเลยลงมือปฏิบัติไปในขนานี้เลยแล้วก็ฟังเล่นๆไปไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกพอหลวงพ่อพูดอะไรซึ่งหาสาระยากส่วนมากหลวงพ่อพูดกี่ทีกี ท, ทก็เรื่องเดิมนะเรื่องเจริญสติไม่มีเรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าทำไมพวกเราทนมากเลทนฟังซ้าแล้วซ้าอีก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 มันต้องปวดต้องเมื่อยเนี่ยต้องขยับนะต้องขยับไปขยับมาแก้ทุกข์เพราะนั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ในร่างกายเนะี่ยนอกจาจะเห็นมันเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราคือเห็นอนัตตาล้ยังเห็นความเป็นทุกข์ได้ง่ายก็มีความทุกข์บิบคั้นหรือเราหายใจก็ได้ลองหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจออกจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เองนะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เอง พอเราหายใจออกไปมากๆใช่ไม้มทนไม่ได้แล้วทุกต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกนะหายใจเข้ามากๆทุกอีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกนะกลั้นลมหายใจไว้นานๆก็ทุกอีกเนี่ยมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถคนไหนทําสติปฐานด้วยการรู้ลมหายใจอานาปานสติตั้งนตะั้งดูด ก, กายนี่มันหายใจไปนะเห็นก้อนธาตุหายใจไปก็ได้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 ก็คือเราเห็นความจริงของกายของใจล้ผู้ใดเห็นความจริงนะก็จะเบื่อหน่ายเนี่พระพุทธเจ้าสอนเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วรมอาจา ร, รย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วคิดอื่นเพื่อวความเป็นอย่างนี้ไม่มีเนีย่ยรู้สึกอย่างนี้ การจุดเริ่มต้นก็คือให้รู้กายรู้ใจไปจนเห็นความจริงของเขาใจจะค่อยๆเบื่อใจมันจะจืดนะแต่ใจจืดแต่ไม่ใจดำแต่ใจจืดแต่ไม่ใจดำใจจะจืดหมายถึงว่าอะไรมากระทบนความสุขความทุกข์มากระทบนมันก็อย่างนั้นงั้นแหละขนาดเคยฟังเทศนะจิตใจแมมมีความสุขมากประหัดเจริญสติไปช่วงหนึ่งนะเราฟังธรรมะใจเรายังจืดเลย อะไรๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วในโลกนี้นจืดสนิทเลยพอใจเราจืดเนี่ยใจเราก็หมดการดิ้นหมดความหิวโหยที่จะวิ่งไปหาอารมณ์มันนั้ น, นถ้าเรายังเห็นอารมณ์ต่างๆเป็นของอรเด็อร่อยนะยังไม่จืดนะก็ยังวิ่งเข้าไปหาอีกเพราะฉะันถ้าเราเห็นโลกนี้เห็นกายเห็นใจนี้นะล้วนแต่ของไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเนี่ยใจจะค่อยจืดลงมาใจจะไม่มันจะเบื่อนะจะเบื่อ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 พรอหมดอยากท่างหากล่ะไม่เอาท่างหากล่ะไม่ได้ยึดถืออะไรท่างหากล่ะมก็ถึงจะถึงมรรคนิพพานไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเราไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกร่างกายก็ยืมเข้ามาใช่ใชไหมจิตใจก็มีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็ดับหายไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นเราไม่ได้เสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาถ้าจะได้อย่างเดียวก็คือได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิ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 ใจิตใจจะดิ้นรนแล้วมีความทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกทุกซ้อนทุกทุกแล้วทุกอีกทุกไม่เลิกนิโรธนิพพานก็ไม่เข้าใจตอนหลวงพ่อเรียนสมัยเด็กๆกระทรวงศึกษาแต่งตํำรานิพพานแปลว่าตายนิโรธก็คือนิพพานเพราะงั้นนิโรธคือตายแล้วก็บอกเออทุกสมูทไทยมาร์กอะไรนี่นะไม่น่ารังเกียจนะแต่นิโรธนี่น่ารังเกียจที่สุดเลย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 สัมมากรมมันตะสัมมาวาจาสัมมากรรม ม, ม, มันตะจริงๆก็คือศีลห้านั่นเองมันจะมีอยู่เองสัสมมาอาชีวะมันก็จะมีอยู่เองในขณะที่เรามีสติขึ้นมานะสัสมมาวายามะก็มีอยู่เองสัสมมาวายามะคือความเพลี่ยนชอบทันทีที่มีสติเนี่ยอากุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดอากุศลได้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วก็จะเกิดทีๆบ่อยๆขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะเกิดกุศล ในลักษณะของสัมมาวายามะความเพียนชอบก็คือเพียนละกิเลสที่มีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทํากุศลที่เกิดแล้วนะให้ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้พัฒนาขึ้นไปงอกงามไ้บุญในขณะที่เรามีสัมมาสติอยู่เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาส ม, มาธิอยู่ในตัวเองเพราะฉะั้นถ้าเรามีสัมมาสติเราก็จะมีองค์มครรคเนี่ยครบพระพุทธเจ้าอาธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนั่นเอง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 ถ้าเราไม่เป็นน้อมใจให้นิ่งนะกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแต่ว่าถ้าเราน้อมใจแล้ว เ, เกิดสภาวะใดๆขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันนะอย่างเป็นต้นว่าร่างกายหายเป็นส่วนๆเนี่ยนะใจเราเป็นกลางอยู่เรารู้ว่าเป็นกลางอยู่อะไรไม่เป็นไรแต่ของคุณต้องระวังนะจิตมันติดนิ่งค่ะแล้วจะแก้ไขอะไรก็อย่าเปนิ่งสิ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 เป็นสมถะนะเพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นการบังคับไม่ได้นะขอบคุณพระพเจ้ากับนักสการค่ะขอส่งการบ้านนะคะคือเห็นความรู้ส่งออกไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วทีนี้มันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคะ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 อย่างนั้นแหละเวลาที่จิตมันจำสภาวะได้นะพอมันะระลึกรู้ปั๊บก็ขาดเลยค<า>่ะก็ถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงขนาดนี้ตอนนี้เหรอคะอืมคือคือมันข้างในมันเฉยๆเนี่ยค่ะแต่แต่ถ้าแต่ถ้าบางครั้งถ้าถ้าไม่อยู่ที่นี่ถ้าฟังเทศหลวงพ่อก็อยังรู้สึกว่ามันนิ่งมันสบายมันตื่นตัวเนี่ยคะ่ะแต่แต่มันก็หลงอยู่เหมือนกัน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 เห็นสภาวะแล้วมันดับลงบ่อยขึ้นเจ้า<ด>ค่ะดีแล้วคุณคิดใช้ได้ใช้ได้แล้ภาวนาดีคุณกบก็ดีนะที น, นี้ภาวนาเป็นล้วดีมสรสนิยมหลวงพค่ะจะถามว่าการภาวนาตอนเนี้ถูกต้องหรือยังคะเอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่า <c oughs> <c oughs> เห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึง่ง <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> สอนาดีแล้วไม่ต้องปรับปุงอะไรหรอคะไม่ต้องปรับนะแต่อย่าขี้เกียจเท่านั้นจุดอ่อนนะเดี๋ยวดูๆไปแล้วจะเ ล, เลิกเลิกไปทำอย่างอื่นให้ยันดูนะดูเรื่อยๆดูเล่นๆดูสบายๆการนวัตกรรมหลวงพ่อครับผมปฏิบัติโดยตามรู้ใจตามดูกายมาอยู่ไหนแล้วหครับอ๋อ ผมปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับตามดูกายตามรู้ใจมาไม่ทราบว่าตอนนี้ถูกใช่ได้ขอบคุณครับดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยเสร็จแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองครับอ้าวไปถึงไหนล้วกลับนาะงมัสการหลวงพ่อคะ่ะจะขอถามว่าพี่ภาวนาอยู่ถูกหรือเปล่าคะ่ะล้อ ก, กันบ้านกันหรือเปล่า <laughs> ถามเหมือนกันทุกคนเลย <laughs>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 แต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้สมมติบัญญัติสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัธธรรมไปรู้สมมติบัญญัตินะไม่เกิดสติปัฏฐานนะไม่ใช่วิปัสนาแท้ๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมรบ<อ>เอออย่างนี้ใช้ได้นะแล้วหัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นว่าใจนี่หนีไปคิดแ ว, แวบแวบแวบหนีอยู่เรื่อยๆให้รู้ไปเรื่อยๆอย่าให้มันหลงไปนานหลงนานน่าเกลียด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 หนึ่งดูไม่ออกค่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรไมารัด ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วแบบว่าเหมือนติดมันยื้อกันอยู่ว่ารู้รู้รู้รสึกตัวหรือเปล่าอะไรยเงี้ยค่ะให้รู้ว่ากำลังสงสัยไป <ฮะ S 1> อย่างเราไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจน ะ, <ฮ>ะให้หัดรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอีกความไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมา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 แทนที่จะดูใจตัวเองที่กำลังโกรธเราจะไปสนใจคนที่เราเราโกรธเขาเราโกรธคนไหนเราก็จะสนใจคนนั้นคิดถึงเขามากรู้สึกไหมยิ่งเกลียดคนไหนยิ่งคิดถึงบ่อยรู้สึกไหมเพราะว่าความเกลียดนะั้นมันลากไปให้เราลืมตัวเองนะเรารักก็เหมือนกันนะกิเลสโลภะราคะเนี่ยเรารักอะไรเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นเราจะลืมรู้ว่าจิตกาลังมีราคะอยู่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 ในกิเลสจะไม่ปล่อยเราง่ายๆนะจะต้องสู้กันหน้าดูเลยงั้นอย่าไปหลงกลนเวลาภาวนาแล้วสงสัยขึ้นมารู้ว่ากําลังสงสัยอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องฉลาดไปหาคําตอบหรอกๆๆเราแค่เห็นว่าความสงสัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเหตุของมัคือเรานั่งคิดเอาคิดไปคิดมายังไม่เข้าใจก็สงสัยขึ้นมาหรือกระทั่งความโลภและความโกรธนัก็เกิดจากความคิด อย่างเราจะรักใครเราก็ต้องคิดในแง่ดีก่อนเนระียกว่ามีกามาวิตกก็เกิดราคะมีพยาบาทวิตกก็เกิดโทสะเนี่ยใจมันหลอกเราทั้งนั้นเลยหลอกให้เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็กิเลสก็ทํางานได้เต็มที่ถ้าเรามีสติรลุดออกจากาโลกของความคิดกิเลสไม่มีช่องที่จะทำงานนะงนั้นมีสติรู้สึกรู้สึกไปในขณะที่รู้สึกตัวอยู่จิตจะไม่มีกิเลส ในขณะใดมีกิเลสในขณะนั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่มีสตอิอยู่ที่ไหนอาว่าไปกลับนามสการ์หลวงพ่อคะ่ะรู้สึกฟุ้งซ่านแล้วก็เพ่งอยากหายฟาุ้งซ่านเราไม่ชอบฟุ้งซ่านเราก็เลยไปเพ่งไว้นะแม้ ใ, ใจเราแทนที่ว่าเราจะรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟาุ้งซ่าน เราไปเห็นความฟุ้งซ่านใจเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราเลยไปเพิงกะว่าจะให้มันหยุดไปนะเพรนั้นเราให้ให้เรารู้ไปนะคําว่ารู้เนี่ยมีนัยยะสองอย่างซ้อนกันนะอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญานะในสติปัฏฐานเนี่อรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานะถ้าทําสมถะกรรมฐานเนอะรู้ด้วยสติอย่างเดียวนะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะเราไม่ลืมตัวเองเราเห็นร่างกายมันหายใจอยู่นะ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 ท่านสอนบอกพิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะอันแรกรู้ด้วยสติหมายถึงว่าราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นว่าราคะเป็นนามธรรมาอย่างหนึ่งที่แปลปลอมเข้ามาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ดับอย่างนี้เรียกรู้ด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองะ ใ, ในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะทำมิปัสนานการรู้ก็จะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญา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 เราเห็นว่ารูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแล้วทำวิปัสนาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอยู่นะสติรู้ถึงอาการไหวของรูปอาการเคลื่อนไหวของรูปมีปัญญารู้ว่ารูปที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราคําว่ารู้เป็น2 อ, อย่างนะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าเป็นวิปัสนาจะรู้ด้วยสติและปัญญาถ้าสมถาธิจะไปเพ่งไว้เฉย มีไหมไม่มีจะได้เลิกออกมีกาบนมัส ก, การ<ม>หลวงพ่อคะ่ะ <c oughs> เคยพูดออกไหม่หลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ิญสันเท่าครั้งนี้นะคะ<ม>เ อ, อจะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้หนึ่งปีคะ่ะก็ภาวนาแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ต่างกันไปแต่ว่าจะขอรายงานสภาวะครั้งล่าสุดคือขนาดที่นั่งภาวนาก็กําหนดภาวนาว่าพุทโธสักพักหนึ่งําภาวนาก็หายไปก็เหลือตลมหายใจ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 ในหนึ่งาทีเดี๋ยรู้สึกมันมีกายเวทนาจิตธรรมมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะต้องดูอะไรให้รู้ว่ากําลังสับสนอยู่กําลังสับสนรู้เลยจิตกําลังคุ้งสั้นแล้วพอดูไปดูมารู้สึกว่าตัวเองใจบีจากความโกรธแล้วก็มีตัวตนมีแต่หากิเลสเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อค่ะเนี่ยสมสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อต้องกิเลสเยอะนะถ้าบอกสมวันแล้วยังไม่มีกิเลสนั่นาวนาไม่เป็น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 ที่ดิฉันปฏิบัติทุกวันนะคะแต่ดิฉันเพิ่งมาพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะอย่าบังคับมันก็แล้กันค่ะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจรู้เล่นๆไปค่ะแล้วตกค่านะไหว้พระสวดมนต์ทําบ้างไหมทําทุกวันอ้อดีสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วก็สังเกตใจไปเอาลหั่งสัมมาเนี่ยใจไหลไปคิดแวบ ร, รู้สึกรู้ว่าใจหนีไปแล้วซัมพุโทโธพัควานีอีกแว บ, บหนึ่งรู้สึก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 แต่คนที่เดินวิปัสสนาเนี่ยนะต้องมีศีลไหมเพราะเราจะไม่เก็บกฎกิเลสมันพุ่งขึ้นมาในใจเราไม่เก็บกดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีศีล น, นะมันจะล้นออกไปทางกายทางวาจางนั้นต้องรักษาศีลไว้ก่อนสมมติว่าโกรธขึ้นมาอยากด่าเต็มทีแล้วมีสติรู้ว่าอยากด่านะยังไม่ด่านะียังไม่พูดอะไรไว้ให้หายโกรธแล้วค่อยพูดนะอะไรยเงี้ยคุณครับอาบนมัสการหลวงพ่อค่ะ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 ทุกมาก็ให้รู้ของบางคนหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นสิ่งภายนอกมากระทบก็ให้แผ่เมตตาหรือของบางคนหลวงพ่อก็บอกให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล น, น, นะคะของโยมก็ทําบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกพอนา น, น, านๆเข้าก็เบื่อที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล น, นะคะก็พอทุกมาก็สักว่ารู้เฉยๆรู้วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนุใสกิเลสหรือว่ามันเป็นภายนอกมากระทบไม่ทัาอยากให้หลวงพ่อแนะนำคุณนะมันขึ้นมาเอง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 เป็นกูสนนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นเพราะว่าแม้ท่านจะดับขันปรินิพานไปแล้วแต่พระคุณท่านก็ยังก็งที่เป็นท่านไม่หายไปไหนนะเราเราลึกถึงแล้วก็สัมผัสอยู่ตรงนั้นน่เลยพระคุณของท่านก็ยังไม่สูญสลายไปไหนใช่ไหมครับไม่สูญสิ่งตราบใดที่มีคนนึกถึงถ้าอย่างนั้นกระผมขออาราธนาคุณพระรันตนตรัยครับ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 เมือเที่ยวอาราธนาครูบาอาจารย์เยอะเลยเวลาพวกเรานทำภาวนาไปวันหนึ่งใจเราพรากออกจากขันเราก็จะพบสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานนี่เต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าตานะมีความสุขล้วนๆอยู่นี่ถ้าใจของใครไปเห็นนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีภาระอะไรกับโลกใจก็น้อมน้มน้อมไปสู่นิพพาน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 มีภาระใจไม่หมายถึงว่ายังมีปณิธานยังจะทํางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็โน้มน้อมใจเข้ามาอยู่กับขันยังต้องออกมาเกลือกกลั้วกับขันที่เป็นกลองทุกอยู่ <c oughs> มีควรไปนิมนต์หลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ขอให้อยู่ร้อยปีที่เล่าตะเกียะ <c oughs> บอกให้ควรนิมนต์มันไม่เคยแก่ <c oughs> มันทุกข์นะ <c oughs> เอาไปถึงไหนแล้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 คือจริงๆโค้ตาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามว่ามีใครกล้าให้หลวงพ่อถามบ้างเนี่ยมีคนยกมืออยู่คนหนึ่งช่วยยกเอาไมไปให้หหน่อยอันนี้ให้คนสุดท้ายนะครับสวัสดีกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเวลาส่งกันบ้านที่ไรสิ่งที่รู้ชัดที่สุดคือรู้ว่าหัวใจเต้นค่ะออดีอย่าให้หยุดนะไม่หยุดค่ะ คราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกไม่ให้หยุดตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะอืก็วันนี้อยากส่งกันบ้านเรื่องความอยากค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินระหว่างวันนะคะหลวงพอ่อเหมือนหลวงพ่อแต่ก่อนอลยแต่รู้สึกตัวทีไรแบบขนมเคี้ยวอยู่ในปากทุกทีเลยค่ะเหรอหลวงพ่อกว่าจะรู้นะหมดไปสองจานแล้วหรือแบบว่าบางทีรู้ทีแรกอุ้ยกําลังเดินไปหยิบมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นนิดนึงคือรู้ก่อนที่จะฉีกถุงขน ม, มอะค่ะหลวงพ่อดี <c oughs> นะฝึกไปเรื่อยๆนะไดเอทไปได้ดไดตัว <c oughs> แต่ทีนี้คืออยากให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านว่าช่วงนี้เผลอไปมากหรือเพ่งไปมากหรือเปล่าอ่ะคะ่ะฟุ้งซ่านไปนิดนึงค่ <c oughs> นะทําความสงบเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยนะ <c oughs> อย่าเยอะ <c oughs> เยอะเดี๋ยวกลับไปเพ่งอีกขอบคุณค่ะนะเอาว่าจะให้หลวงพ่อถามไม่ใช่หรือหลวงพ่อถามได้เลยคะ่ะ <c oughs> อะไรชื่อว่าหนึ่งแล้วเราถามไปงั้นแหละเนาะตอบไม่ได้หรอกขอบพคุณค่ะมีนะมีปริภาชกผู้หญิงเน่ยเรียกปริภาชิกาที่เขาไปท้าคนเโชโต้วาทีเรื่อยๆเอากิ่งว่าไปปักถ้าใครแชโต้ด้วยนะั่นก็มาถอนกิ่งนี้วันหนึ่งภาษาลิบุตรจะไปรับคําท้าแกถามภาษาลิบุตรนะภาษาริบุต ร, รตอบได้หมดเลย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 ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขะรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสภเปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโภวะ อาภีวาทานาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขขังพละธนานะท่านนาที่พระบอกอายุวรนโนสุขังพละความจริงไม่ได้ใช่พร น, นะเป็นการบอกว่าคนไหนที่เคารพน้อมน้อมในผู้ใหญ่ที่ควรเคารพน้อมน้อมเนี่ยจะมีอายุวรรณ้าสุขข่าวพละ